ปีใหม่และพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณมาสู่ท่านสาธุชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มาถึงแล้วนี้การที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญานำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติ มาเป็นแกนยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตและเป็นประทีปสองทางในการที่จะฝ่าฟันความมืดมนอนทการของวิกฤตต่างๆที่สาธุชนกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนั้นไปสู่แสงสว่างแห่งการดําเนินชีวิตจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟัง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 วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างการสิ้นปีเก่าแหละจะขึ้นไปสู่ปีใหม่ในโอกาสนี้ อาตามภาก็ไม่เห็นอะไรที่จะดีไปกว่าธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งอาตามาภาคคิดว่าธรรมะหัวข้อที่อาตามาจะให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัตินี้เป็นธรรมะที่จะยังประโยชน์ ตนประโยชน์ท่านให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแน่นอนคุณธรรมที่ชื่อว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตนี้เป็นคุณธรรมของบัณฑิต เป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจว่าธรรมะปฏิบัติอย่างนี้แหละจะยังประโยชน์สุขให้แก่ตนและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เขารู้จริงแล้วเขาจึงปฏิบัติตามธรรมนี้ของพระพุทธองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า อันเป็นคุณลักษณะหรือคุณธรรมของบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงเมื่อเขาปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจตามธรรมนี้จึงชื่อว่าสัจตบุรุษคนดีที่จะนำตนเองและผู้อื่นไปสู่ความสุขความเจริญแต่ฝ่ายเดียว ธรรมะข้อที่กล่าวนี้ประการแรกทิฏฐะทรมิกัธะประโยชน์หมายถึงธรรมะปฏิบัติซึ่งผู้ใดประพฤติปฏิบัติเข้าไปแล้วย่อมบังเกิดประโยชน์เป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติยังความสุขความเจริญให้แก่ตนเป็นปัจจุบัน ทันทีที่ลงมือปฏิบัติประโยชน์ปัจจุบันนั้นได้แก่อุทาหะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เป็นเด็กยังเยาววัยอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ภาคเพียรพยายามขวนขวาย ศึกษาหาความรู้มาใส่ตนเป็นผู้ใหญ่ประกอบกิจการงานในอาชีพใดๆก็เพียรขวนขวายประกอบกิจการงานในอาชีพนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งไม่ละวางและความภาคเพียรนั้นไม่ใช่แต่เพียงภาคเพียรที่จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่อย่างเดียว พึงภาคเพียนเอาใจใส่ที่จะนําวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่จะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตและอาชีพของตนโดยชอบนั้นพึงศึกษาพึงรวบรวมใส่ใจใส่ความรู้ความชํานาญของตนให้เพิ่มพูนความรู้ความชนานาญของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะยังประโยชน์ แก่หน้าที่กิจการงานของเราส่วนผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำผู้อื่นเป็นผู้บริหารก็ภาคเพียนพยายามในกิจการงานในหน้าที่ของความเป็นผู้นำของผู้บริหารนั้นๆไม่ย่อทอ้อไม่ละวางเพียนศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นให้การบริหารงานนั้น ลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงคำว่ามีประสิทธิภาพสูงหมายความว่าให้ได้ลงทุนลงแรงแต่น้อยๆหรืออย่างประหยัดแต่ได้ผลดีอย่างมากๆอย่างสูงเป็นที่พอใจแก่บุคคลเพื่อนร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาหรือประชาชนที่ผู้นำทั้งหลายทำหน้าที่รับผิดชอบอยู่นี่คือหลักประสิทธิภาพ ทีนี้คุณทำข้อที่สองได้แก่อารักษสัมปทาอารักษสัมปทานั้นถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาอะไรรักษาทรัพย์สินที่เราทำมาหาได้โดยชอบที่สูญหายไปก็ดีที่ชำรุดเก่าแก่ก็ดีบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่นี่ว่าโดยส่วนของทรัพย์สิน ว่าโดยส่วนของหน้าที่การงานฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็พึงรักษาไว้ด้วยดีไม่ให้มีโทษด้วยการประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมตามพระวินยัยระเบียบกฎข้อบังคับตลอดทั้งกฎหมายบ้านเมืองมิให้ผิดพลาดเสียหายแก่ฐานะหน้าที่กิจการงานของตนหรือฐานะในทางสังคมของตนและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง คุณทมที่มีอยู่ประจําใจนั่นพึงเพียรระวังมิให้บาปอากุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรกําจัดกุศลที่มีอยู่ในสันดานแล้วให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานและเพียรระวังรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นไว้แล้วมิให้เสื่อมนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นคาเบื้องสูง ยิ่งขึ้นไปอีกอีกประการหนึ่งกัลยาณมิตาคบคนดีศัตบุรุษผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมีปัญญาไม่เป็นคนทุศีลไม่เป็นคนพาลปัญญาโฉดพึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแต่คบแต่บัณฑิตผู้รู้ดังกล่าวนี้ สั ต, ตบุรุษคนดีดังกล่าวนี้เป็นเพื่อนย่อมจะช่วยพยุงฐานะของตนไม่ให้ตกต่ำและให้มีแต่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้คือคุณธรรมข้อที่สามที่ว่ากัลยาณมิตรตาถ้าหากเผลอพลไ ป, ไปคบค่าสมาคมกับคนชั่วคนพานปัญญาชั่วปัญญาโฉดทั้งหลายแล้วย่อมนำตนเองไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์เดือดร้อนได้ ไม่ช้าก็เร็วจึงพึงละวางการครบคนประเภทนั้นเสียหันกลับมาคบคนคนดีคนมีปัญญาหรือเป็นบัณฑิตซึ่งทั้งนี้อย่าลืมว่าคุณธรรมของคนดีหรือบัณฑิตหรือความเป็นทานนั้นก็มีอยู่ในใจของเราถึงเราจะไม่คบคนทานภายนอกจะเลือกคบแต่บัณฑิต จะไม่มีทางทราบซึ่งได้ถ้าเราไม่กำจัดความเป็นพาลออกจากใจเราถ้าเราไม่เสริมสร้างความบันดิตขึ้นในใจเราให้แจ่มแจ้งเป็นคนดีที่แท้จริงก็ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วการที่จะเลือกคบคนดีนั้นก็ต่อเมื่อเราเองเป็นคนดีอยู่แล้วด้วยรู้คุณธรรมของคนดีคือบันดิตผู้มีปัญญานั้นด้วยรู้ลักษณะของพาลหรือพาลลักษณะ ด้วยอาการต่างๆทางกายทางวาจาและใจจึงเลิกคบหรือไม่คบคนผ่านแต่คบแต่คนดีเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตเป็นมิตรชื่อว่ากัยญาณมิตรตาคุณทำประการที่สามข้อนี้ก็เป็นสำคัญสมาชีวิตตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือการบริโภคใช้สอยทรัพย์ของตน ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตตามควรไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟื่อยนกพอเหมาะพอดีรู้จักแบ่งปันทรัพย์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆตามสมควรเช่นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีพอเหมาะพอควรการสงเคราะห์ญาติมิตรบุตรภรรยาการบริจาค ให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้างชื่อว่าธานามัยเป็นกุศลที่สำคัญแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์ที่หามาได้ตามมีตามได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมไม่ให้ตกเรียเสียหายหรือไม่ให้ใช้จ่ายไปในทางที่สุรุ่ยสุร่ายไร้ประโยชน์หรือไม่ให้คับแคนจนเกินไปจนเกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือไม่สบายกายไม่สบายใจ อย่างนี้ชื่อว่าสมาชีวิตาผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสี่ข้อนี้คืออุทานะสัมมทาประกอบด้วยหรือถึงพร้อมด้วยความเพียรอารักกสัมมาาถึงพร้อมด้วยการรักษาการยานมิตรตาถึงพร้อมด้วยการครบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนและสมาชีวิตาการประพฤติปฏิบัติตนให้พอเหมาะพอดีกับทรัพย์สิน ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตอย่างนี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อสุดท้ายสมาชีวิตานั้นหลายท่านที่ต้องเดือดร้อนเพราะการใช้ใจ่ายไม่เป็นหาได้ห้าใช้ไปสิหาอย่างคนจนแต่ใช่อย่างคนรวยโดยไม่คำนึงถึงฐานะของตน ดังนี้ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่ครอบครัวทำให้ฐานะของตนเองและครอบครัวสุดลงไปสุดลงไปยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งสี่นี้พึงรับปฏิบัติเถิดจะกล่าวเป็นคาถาย่อๆก็คืออุอากสะขอทุกท่านจงจำไว้ว่าในปีใหม่นี้ตั้งใจรับเอาธรรมนี้ประโยชน์ในปัจจุบันไปใช้เป็นคุณธรรมของบัณฑิต ส่วนว่าประโยชน์ภายหน้านั้นชื่อว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ก็มีสี่ประการเช่นกันประการที่หนึ่งถึงพร้อมด้วยความศรัทธาศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อที่เป็นความจริงคือเชื่อในคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ดังนี้เป็นต้นเชื่อในบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง เชื่อในผลทางประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตตนไปในทางเจริญและทางเสื่อมตามที่เป็นจริงเหล่านี้เป็นต้นก็ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยความศรัทธาแต่ความศรัทธานั้นถ้าหากเชื่อโดยมิได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทยากที่จะรู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ยากที่จะรู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเพราะธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าได้ดทรงสแสดงไว้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลกุตรธรรมนั้นต้องมีประสบการณ์จากการศึกษาอบรม จ, จิตใจและความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ดีเรียบร้อยไม่มีโทษ เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสงบกายวาจาและใจสัมรวมกายวาจาและใจจึงจะเป็นสุขจึงจะเป็นทางให้สิ้นกิเลสเหตุแห่งทุกข์และเป็นความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขตามที่เป็นจริงอย่างนี้จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยศรัทธาสัมปทาอีกประการหนึ่งศีลสัมปทาศีลสัมปทานั้นเข้าใจเอาง่ายๆโดยส่วนรวมว่า การสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่ประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและแม้ทางใจให้เป็นโทษแก่ตนเองและเป็นโทษแก่ผู้อื่นอย่างน้อยที่สุดพึงรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เดือดร้อนให้ชีวิตตกล่วมอันจะเป็นเวรกรรม ตามสนองสืบต่อต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่พูดโป้ ป, ปดมดเท็จกบฏโคดโกงผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการมไม่มั่วในกิเลสการมไม่ลักช่อและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเหล่านี้เพียงห้าข้อนี้ถ้ารับรักษาประพฤติปฏิบัติให้ดี ก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขให้เกิดแก่ตนเพราะไม่เป็นความประพฤติปฏิบัติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นย่อมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสีลห้าพึงรักษาให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อีกประการหนึ่งจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคถึงกาพร้อมด้วยความเสียสละสละอะไรสละกาลังกายสติปัญญาความสามารถวิทยาการความรู้ หรือศิลปะวิทยาการต่างๆตลอดจนถึงธรรมะให้แก่ผู้อื่นหรือให้แก่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าถึงพร้อมด้วยจาคะการเสียสละกําลังกายกําลังใจสติปัญญาความสามารถตลอดทางศิลปะวิชาความรู้ตลอดจนถึงธรรมะ ให้แก่ผู้อื่นเป็นทานและประการสำคัญที่สุดประพฤติปฏิบัติธรรมสละหรือกำจัดขัดเกลากิเลสของตนเองให้หมดสิ้นไปจากสันดานอันนี้แหละเป็นจาคะหรือเป็นธรรมทานที่เยี่ยมแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกประการหนึ่งปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งตามที่เป็นจริง ว่าสิ่งใดเป็นบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามที่เป็นจริงทั้งประโยชน์ปัจจุบันและในอนาคตดังนี้ชื่อว่าปัญญาสัมผัสธาปัญญาจะเจริญขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การร่ําเรียนหนังสือด้วยการท่องจําอันนั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาคือความจําได้หมายรู้หรือได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแต่ปัญญาที่แท้จริงนั้นที่จะให้เฉียบคมจริงๆนั้นต้องประพฤติปฏิบัติ จนประสบการณ์เกิดขึ้นได้ผลดีเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่ตนไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดอันนี้แหละปัญญาเกิดขึ้นชื่อว่าภาวนาไมยปัญญาเป็นปัญญาที่เฉียบคมถูกต้องและบริสุทธิ์ตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รู้ หรือคนดีที่ชื่อว่าสัตบุรุษนั้นย่อมเป็นผู้ทรงคุณธรรมคือธรรมะปฏิบัติอันจะยังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าอย่างนี้สาหรับประโยชน์ภายหน้าหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ขอซักซ้อมอีกนิดชื่อว่าสัมปรายกัตถประโยชน์อันประกอบด้วยศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อศีลและสัมปทา รักษาระวังรักษากายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ตนเองและผู้อื่นจายค่าสัมผทาบริจาคเสียสละทรัพย์สินแม้ธรรมะให้แก่ผู้อื่นเป็นฐานและประพฤติปฏิบัติตนขจัดขัดเกลากิเลสออกจากจิตสันดานของตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นข้อที่4ปัญญาสัมผทา จเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางจเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงการจเจริญปัญญาเช่นนี้จ ะ, จะเจริญขึ้นได้ก็ด้วยทั้งสุตตมไมปัญญาจินตะไมาปัญญาแต่สูงที่สุดที่จะขัดเกลาปัญญาให้ แจ่มแจ้งเฉียบคมและบริสุทธิ์ก็ด้วยภาวนาไม่ปัญญาอาตมาขอถือโอกาสนี้ให้ธรรมะคือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์นในภายหน้าแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นการให้ธรรมะแก่ท่านไปประพฤติปฏิบัติถือโอกาสนี้เป็นการอํานวยพรให้ท่านทั้งหลายด้วยเพราะพรทั้งหลายแม้จะให้กันเพียงใด แต่ถ้าหากท่านไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นยากที่จะเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองและสันทิสุขแก่ตนเพราะฉะนั้นการรับธรรมะนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นทางให้เจริญรุ่งเรืองและสันทิสุขเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงขอธรรมะนี้เป็นพรสําหรับทุกท่าน ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขของทุกท่านในโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังริษณ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลายพระปจเจพุธเจ้าและพระอรหันตาขีนาสพเจ้าทั้งหลาย และของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอจงได้โปรดมาโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงปราศจากความทุกข์ความสุขและโรคภัยทั้งปวงจงทรงพร ะ, กะเกษมสำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติ เป็นร่มโพทองปกกล้าปกกระม่อมแก่พระศกนิกกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดชั่วการานานและขอถือโอกาสนี้ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังริษแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นจงได้โปรดมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่รับฟังอยู่นี้และประชาชนทั้งหลายโดยทั่วไปจงปราศจากความทุกข์ความสุขโรคภัยทั้งปวงขอคุสลผลบุญทั้งหลายจงได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากเหตุแห่งทุกข์และถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจ ด้วยการประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เจริญรุร่งเรืองในบรวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว ตลอดสิ้นกาลนานทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทืนสุขโคุญยศอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม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 สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นคติธรรมและพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณที่มุ่งเน้นให้สาธุชนรู้จักการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อที่จะทําตนให้เป็นเกาะให้เป็นที่พึ่งแห่งตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งดังมีพระพุทธพจน์รับรองว่า อัตนาโจทยัย ต, ตานังจงเตือนตนด้วยตนเองและมีภาษิตของท่านผู้รู้ได้ประพันธ์อธิบายพระพุทธพจน์นั้นว่าตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนกิจตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน ยาแช่เชือนเตือนตนให้พ้นไผ่คติธรรมสำหรับปีใหม่วันนี้ทางรายการได้นำมาฝากท่านสาธุชนถึงลักษณะของการพึ่งตนพึ่งธรรมและได้รับฟังในเรื่องของประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณได้อธิบายให้สาธุชนได้เข้าใจแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับ การเริ่มต้นปีใหม่ของปีนี้ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นแหละสังคมจึงจะอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขด้วยธรรมะสําหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ก่อนจากกันวันนี้ในานามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมงคโลเจ้าวาดขอตั้งการยาณิจน้อมอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิสิทธิเขียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันตขีนาศพพระพุทธเจ้าองค์ตนทาตุตนธรรมทุกๆพระองค์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําผู้สอนวิชาธรรมกายขอจงมาเป็นตบะเดชพ ร, ระละวัปัใจคุ้มครองสาธุชนผู้รับฟังรายการทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนขอจงเป็นผู้มีแต่ความคิดถูก เห็นถูกพูดถูกกระทำถูกและนำผู้อื่นถูกถูกในปีใหม่นี้พรใดอันประเสริฐสิ่งใดที่เลิศที่สาธุชนปรารถนาขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทินเจริญพร